วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส4่กุมภาพันธ์พุทธศกราช2 5หเวดนี้วันนี้เป็นวันทราบกันทั่วสากลทั่วโลกว่าเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักก็ว่ารักความนี้นะ่ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกัน ไม่มีความรักความสเสน่หาไม่มีความเอื้ออาทรต่อกันไม่มีก่อความเยื่อใยต่อกันโลกทั้งโลกนี่ก่อเหมือนกับต่อไม้หรือว่าสิ่งที่ไรจิตวิญญาณแต่ว่าความรักความนี้ ถ้ามันเกินไปก็ทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนอีกเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปรักเขาจนเกินไปถ้าผิดหวังในความรักก็ฆ่าตนเองตายมากต่อมากเหมือนกันโลกตัวนี้รักตัวนี้มีมมทั้งมีทั้งโทษมีทั้งคุณถ้า ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์ถ้าใช้ให้เกิดโทษก็เกิดโทษมหาหันเหมือนกันวันนั้นในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยมัชิ ม, มาปฏิปทาทางสายกลางเราจะเดินยังไงในความรักมองกันในการอยู่ด้วยกันต้องมองกันด้วยเหตุด้วยผล ไม่ได้มองกันแบบกิเลสตัณหาอย่างเดียวมองกันคุณงามความดีการอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันด้วยกิเลสตัณหามหมดพ่อหมดกิเลสตัณหาท่านนันะก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นอริศัตรูกันอย่างร้ายแรงแต่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาอารีต่อกันมองเห็นคุณงามความดีของกันซึ่งกันละกัน คนในชุมชนคนในกลุ่มนั้นคนคู่นั้นก็จะอยู่ด้วยกันนานเท่านานจนอาวาสานของชีวิตเพราะอยู่ด้วยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความรักเมตตากันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันด้วยกิเลสโลภโกรธหลงราคะตัณหาจะอยู่ด้วยกันไม่ยืนเพราะเหตุอะไรเพราะมองกันในในแง่ ความรักเมื่อหมดความเยื่อใหยก็ตัดขาดกันได้ไง่ายๆ่ายแต่ตามให้จริงการที่จะรักกันยืดยาวในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันสืบเนื่องมันมายาวนานทีเดียวนะไม่ใช่ว่าเกิดมาเกิดมามาเจอกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกัน ควรจะสังสมได้สังสมได้ทาบุญร่วมกันมาปาฏถนะร่วมกันมายาวนานในอดีตชาติพอมาพบน้ชาตินี้มาเจอกันอีกก็รักกันด้วยความเมตตาด้วยความเห็นอกเห็นใจกันมีอะไรเหมือนกับพี่น้องอดูด้วยกันยิ่งกว่าพี่น้องอีก อันนี้คือคือความรักที่ว่าเป็นความรักอมตะคล้าว่าเคยปรารถนาทำบุญมาร่วมกันสร้างบารมีมาร่วมกันประกอบคุณงามความดีมาด้วยกันอันนี้หาได้ยากแต่ก็มีอยู่ในโลกใบนี้ในครั้งพุทธกาลอย่างพระพุทธเจ้าของเราการนางพิมพายะโสธรา ก็ได้ปรารถนามาด้วยกันในขาดศาสานาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตั้งความปรารถนาให้เป็นคู่แต่ก็ได้รับพยากรณ์ว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยแหละคู่นี่แหละสามีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าภรรยาก็จะเป็นอัครมาเหสีในชาติสุดท้ายพิมพ์พายโสธราเป็นคู่บรารมี อย่างนี้ก็มีในครั้งพุทธกาลจากนั้นก็เกิดพบใดชาติใดก็มกวนเวียนไปยังไงยังไงก็ยังเป็นคู่หัวผัวเมีย เ, เป็นคู่รักกันอยู่ถึงจะตกทุกข์แต่ยากยังไงก็เห็ดอกเห็นใจกันอย่างพระเวทชันดรสมัยเมื่อเป็นพระเวทชันดอนอพระสวามาีบริจาค ให้ทานช้างแก่เมืองกะลิงคะพวกชาวเมืองทั้งหลายไม่พอใจขับไล่สส่งเวทสันดอนให้ออกจากเมืองจากเวียงวังแต่ขณนะ น, น, น, นั้นปู่หรือว่าพ่อของพยาพ่อของพระเวทสันดอนะยาสนชัยบอกว่า จะให้พระเวทชั้นนอนออกตามลำพัง เ, เพราะว่านางมัดนางมัชีเนี่ยมีกันหาชาลีเป็นลูกน้อยสองคนกันหาคือลูกสาวชาลีคือลูกชายชาลีกันหาพระบิดาของพระเจ้าพระเวทชันดรบอกว่าเนี่ยเขาชาวเมืองเขาหลับ ขับไล่ให้หนีไม่ให้อยู่เพราะว่าบริจาคช้างมงคลของประเทศออกจากเมืองทำอย่างนี้จิบหายบ้านเมืองอไม่ควรจะทำอย่างนี้พระเวททลองเอานี้กว่านี้แต่นางมัชีเนี่ที่เป็นคู่รักมีลูกน้อยสองคน ทางบิดากระบอนางมัตชีไม่ต้องไปหรอกให้ไปแต่เวทนร้อนนั่นน่ะเขาปล่อยให้เขาไปเขาทําตัวไม่ดีทําให้ถ้าอยู่บ้านถ้าอยู่ไปบ้านเมืองก็เดือดร้อนทําให้เขาขับไล่ไสส่งเขาเดินขบวนไล่แล้วเนี่ยแต่นางมัตชีก็บอกว่าในเมื่อพระสวามีออกไปแล้วดิฉันจะเป็นไหม อยู่ตามลำบังไม่ได้อันนี้ก็คือลูกลูกของเราทั้งสองเราต้องออกไปด้วย เ, เนี่ยนางมัตชีถือยังไงเท่ากับทุกยังไงทุกยากยังไงก็ต้องไปนี่นะผลในสุดพระเวทจันรดอนกับนางมัตชีก็อุอ้มลูกคนละคนพระเวทจันรดอนก็อุ้มลูกชายคือชาลีและก็อุ้มกันหา นางมัตชีขกขกลุ่มกันหาเดินทางไปด้วยกันจนถึงเขาคลีวงกฏฟังๆดูแล้วก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอยู่ในป่าลงพงไผยลึกอยู่ตามลาพังจากนั้นก็นยังไปสร้างอาสมขึ้นมานางมัตชีกับนางกันหาชาลีกูอยู่อีกครั้งหนึ่งพระเวทชั้นรอนกูอยู่อีกหลังหนึ่งปฏิบัติธรรมบาเ พ, พ็ญพจนเป็นฤาษี แต่ขนาดนั้นนางมัตชีเป็นผู้นั่นก็ไปหาผลละหมากลากไมห้หัวมันมาเลี้ยงพระสวามีมาเลี้ยงลูกเพราะเวทชั้นรอนอยูเอ่เป็นผู้ดูแลลูกพวกชูชกคือพรามนะเข้าไปขอชูชกมันคือพวกคนขอขอทาน ขอไม่เลือกหนาขอไม่แย้มขอไม่อายขอไม่ลูกไม่ลุกจั ก, การกละเทสะในเมื่อเข้าไปขอพระเวชชันดอนอยู่ในป่าพระเวชชันดอนก็ไม่มีอาจจะให้ขออะไรขอลูกพูดนะพระเวชชันดอนรักแสนรักไม่ใช่ไม่รักลูกนะรักแสนรักแต่ก็ ถ้าจะคอยให้นางบัญชีกลับมาก่อนเขาคงไม่ให้เอาเถอะนางบัญชีพระเพชรชนนอนเอา้เอาทั้งที่รักรูปก็บริจาคเรารักโพธิญาณมากกว่ารักโพธิญาณคือรักพระพุทธเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดขนาดใครจะมาขอดวงตาเราเราก็จะควักให้ เรารักโพธิญาณมากกว่าทำบุญเพื่อหวังโพธิญาณ ใ, ให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตโพธิญาณจากนั้นก็ บ, บริจาคลูกกัญหาชาลีกับให้พราหมไปขนาดพอออกไปเสร็จแล้วนางชาลีกับกัญหาพราหมก็ ดึงเอาเชือกพัดมัดจากลูกโงงไปรีบไปเพื่อกลัวนางมัดชีจะมาก็ตามตามปกติพ่อกับลูกแม่กับลูกแม่ก็ต้องรักลูกยิ่งกว่าชีวิตตายแทนลูกได้พรามก็รู้แก่ใจว่าถ้าว่ามัดชีมาเนี่ยถึงยังไงเขาไม่ให้แน่แจะพยายามดึงเอาไปทาง ชาลีกันหาก็บอกว่าให้แม่มากอนที่จะไปที่ไหนไอ้พรามาไม่ยอมชูชกไม่ยอมดึงลากไปขนาดหลุดมือออกมาวิ่งเข้ามากอดขาพ่อพ่อก็ยังเฉยจึงไงก็ให้เพราะได้ทานไปแล้วเนีผลที่สุดก็ไปวิ่งมาเขาเนยพรามใช้ไม้เลียวตีกันหาชาลีตัว น, นี้แหะ ผู้พระปีดาพระเวชจัดนดรโอโหชักชักพระแสงขันเลยนะขนาดขนาดที่ว่าใจแข็งพอแรงนะนะขนาดพอเขาตีลูกต่อหน้าต่อตาดนะันไม้เหลียวนะนะันร้องไห้นะนะันเออชักพระแสงขันเลยเออเค่ว่าจะไปฟันคอพามให้มันตายไปเลยและเลือกได้เอยอันนี้เราบริจาคไปแล้วเรา รักโพธยานยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในจั ก, กรวาลยิ่งกว่าตัวของเราอีกนะพะอันนี้คือพระเวชชันดอนท่านรักคุณงามความดีของท่านท่านมองตัวของท่านพลในสุดก็เนี่ยรามก็เอาไปนางมัดชีมากัโอ้ร้องห่มร้องไห้หาลูกออพอจากนั้นพระเวชจันดอนออพอแรงเกี่ยวจะลบสไล พระเวชนนท์ยังพูดให้ฟังว่าบริจาคไปแล้วบริจาคลูกให้แก่พราหมณ์นางบัญชีคนไม่รู้จะทำยังไงอนุโมทนาด้วยความจำเป็นจำใจเฉพาะใดเงินมันทานบริจาคไปแล้วนะแต่ทียังไงพราหมณ์คนนั้นก็สัดเซพเนจรหลงทิศหลงทางเข้าไปเมืองหลงเข้าไปในเมืองกรุงศนชัยอีกแ่ไ ผลในสุดโอ้โหพระเจ้ากรุงสนชัยก็บอกพระเวทชั้นรอนขนาดบริจาคทานช้างแล้วเนี่ยปล่อยไปอยู่ในป่าไม่มีอันจะทานไม่มีการจะถวายทานอย่างอื่นเห็นแต่ลูกทานลูกให้แก่ชูชกอีกโอ้โหโโโโจากนั้นก็เนี่ยเอาลูกหลานมาหลานกับมาพูดมาเล่าให้ ปูฟังฮะทางมัดชีทางกัรหามาเล่าให้ปู่ฟังปูเกิดความสลดสังเวชอย่างใหญ่หลวงเลยแ่เนี่ยก็เลยบอกเอาพรามขอถ่ายถอนขอไถยล้านเนี่ยพรามจะเอาเท่าไหร่พรามมันขี่โมขี่อันนั้นอยู่แล้วขี่โลบอยู่แล้วในตัวของพรามชูชกนะต่องการเท่านั้นต่องการเท่านี้นก็ว่าแล้วพระเวชท่าน พญาสนชัยก็ขนมาให้ขนมาให้ผัวให้เธอก่อนเอา้ามอบให้เสร็จแล้วก็เอาเลี้ยงพรามนะพรามก็หิวจนพอแรงเนาะเป็นชูชคขนจนใช่นะเพราะความหิวความกระหายาพญาสนชัยก็เลี้ยงเต็มที่ต้อ ก, การกินอะไราทางภาษา เทพพเวทชันดอนเขาเทพพเวท ส, สมัยก่อนเนี่ยพรามณ์ก็กินกระดูกหมูเข่าลีไลลีไลกินกระดูกไก่เข่าลีลั่นลีลันอะเอออาหารอะไรอร่อยพรามก็ยัดไส้ยัดไส้กินจนอท้องพรามณ์แตกท้องพราม์แตกเออแตกไปเออถูกอ๋อ เด็กน้อยตายเป็นร้อยผู้เท่าตายเป็นร้อยเด็กน้อยตายเป็นพันอถ้าหนีไม่ทันแตกตายไปด้วยทุกวันทุกวันฮอตายไปนําทุกทุกมือทุกมือฮเพราะว่านักเทรดอยู่ธรรมศาสเทรดเรื่องพระเว t y ชั้นดอนนะเหลวงพ่อได้ยินแต่สมัยเป็นเด็กนะท้องพามแตกแตกใส่เด็กตายเป็นร้อยเตกตายเ็กแตกใส่เด็กน้อยตายเป็นทัพพัน ถ้าอันี้ใครหนีไม่ทันตายไปด้วยทุกวันทุกวันฮะทุกวันเนี่ยนะท้องพามแตกคนก็นเลยตายอยู่ทุกวันนะผัวนิษฐ์พอท้องพามแตกทีนี่ไม่มีใครมารับมรดกเพราอเพราะมันน่าเกลียดน่าอายฮะเอปแค่ไปรับลูกของเขามาไม่มีใครเป็นทาญาติพรามอผัวนิษฐ์ก็เลย เ, เป็นสมบัติของสนชยัยจากนั้นสนชัยก็ได้แหแหนไป รับพระเวชจันดรกันางมัตชีกลับเข้ามาเวียงวังอีกนี่แหละอันนี้ก็คือความรักจุดที่ว่าถึงพระสวามีจะตกทุกข์ได้ยากอย่างไรในเมื่ออยู่ด้วยกันแต่งงานกันแล้วก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันเห็น ค, คุณงามความดีของกันอันนั้นคือคนที่เชยสังสม บ, บุบารมีมาในอดีตชาติมันแยกกันไม่ออกด้วยความรักห่วงหาอะไรกันแต่ถ้าว่าพวกเรารักแบบกิเลสตัณหาหน้าตาเจ็ดสวยออกมาแล้วกันนะผลสุด ถ, ถ้าไม่ได้อย่างใจก็ฆ่าทิ้งไม่รู้ว่าฆ่าใครฆ่าใครจะว่าผู้ชายฆ่าผู้หญิงก็ไม่ใช่ที่เดียวผู้หญิงฆ่าผู้ชายก็ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันเพนนนะราะนั้นะรักคํำนี้ มันเป็นพิษเป็นภัยทั้งสองทั้งสองทั้งสองอย่างเพราะนั้นความรักวาเรนไทยคำนี้นะ่ะควรจะให้รักด้วยความเมตตาด้วยความสงสารเห็นอกเห็นใจรักในคุณงามความดีซึ่งกันและกันการจังสมคุณงามความดีก้าวไปด้วยกันมองกันด้วยด้วยเหตุด้วยผล อ, อย่าไปมองกันในแง่ร้ายมองกันด้วยเหตุผลรักกันด้วยเหตุผล อรักกันมองไปข้างหน้าถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วใครจะพึ่งพาอาศัยกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกับสามีภรรยานั่นแหละเป็นผู้ดูแลพึ่งพาอาศัยกันพ่อแม่ปู่ย่าตาย า, ายวงศานาญาตเขาก็ห่างไปแล้วเขาจะดูแลเรายิ่งกว่าครูของของเราได้อย่างไรพอนั้นถ้าเราคิดดูให้ดี สามีภรรยาเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่รักเพราะนั้นการมองกันจึงมองด้วยมองด้วยเหตุมองด้วยผลจะไปมองกันด้วยแง่แง่ร้ายการที่จะชับจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามในคู่สามีภรรยาต้องช่วยกันคิดช่วยกันประคองว่าเราจะเดินไปยังไงจะตกปัจจัยเงินคำทรัพย์สมบัติของเราที่เราหามาเนะี่ยเพียงพอหรื อ, อยังเรา จะดูแลเมื่อเราเท่าแก่ชรามีไหมควรจะเก็บหอมหลอมริบอย่างไรสมัยเมื่อเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มเราก็จะต้องเก็บหอมรอมริบเรื่องเงินคาทรัพสมบัติเพื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชราแล้วเราจะได้ใช้เงินจำนวนนี้อันนี้เป็นเมื่อเรามีคู่ของเราก็ต้องมองไปในอนาคต เพื่อความผาสุก ข, ของขอครอบครัวในเมื่อเรามีลูกมาเราจะดูแลยังไงนี่แหละสิ่งเหล่านี้เมื่อเราอยู่ในเกิดมาในโลกนี้เราต้องคิดเหมือนกันนะถ้าเราไม่คิดไม่อ่านในพระบารีท่านว่าสุขขัดสาสะนันตะลังทุกขังในเมื่อเป็นน้อยเป็นหนุ่ม เรามีแต่โสเสวงแต่หาความสุขสนุกสนานร้องรื่นเริงบันเทิงร้องราทำเพลงกินเหล้าเมายาสุรานาเร่พาชีกีฬาบัดอันไหนที่มันสนุกสนานหามาใส่ตัวเอง เ, อเพื่อเกิดมาทั้งทีชีวิตชีวิตให้คุ้มค่าจะไปอยู่ทำไม อ, อยู่แบบที่งอมง่อมงเงาเงาอยู่แบบทุกข์ยาก มีแต่ทำการทำงานมีแต่เก็บหอมรอมริบเนะี่ยไม่เอาเราต้องหาความสุขใส่ตนเองให้ได้ให้มากที่สดุดอันนี้เพราะว่าสุขคัดสาสะนันตารางทุกข์ขังสมัยเมื่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มมีความสุขแต่เมื่อเท่าแกชรามาแล้วนะั่นแหอไม่มีเงินนะท่านเนี่ยพอเห็นอรเพรา ะ, ราะไม่ได้เก็บหอมรอมริบเมื่อเท่าแก่มาแล้วนะเนี่อตกทุกข์ได้ยาก ไปพึ่งพาอาศัยไข่เพราะตัวเองไม่มีเงินขำทรัพสมบัติจะตายก็ไม่ตายอยู่ไพก่ออยู่ด้วยหาข้าวจะกินหาข้าวจะก อ, อกหมอก็ไม่มีพี่น้องลูกหลานก็ไม่มีเพราะอะไรหมดสภาพเหมือนกับหมาแก่จะไปหากินที่ไหนก็ไม่ได้หมาขี่เลื่อนท่านเปรียบเทียบกับเหมือนนกกระยางแก่ ไปอยู่ในเปลือกตมที่แห้งอยู่ในกลางดงเวลาจะบินไปที่ไหนก็บินไม่ได้เพราะหมดสภาพก็อยู่ในเปลือกตุ่มแห้งมีแต่เขียดตักะ แ, แตนเอมันบินมากันวิ่งรุ้ดรุดดดดด้ไปเพื่อจะไปะไปฆ่าไปเขียดตกะกะแตนกินตักกระ แ, แตนก็มันก็ไม่มาใกล้แถว น, นั้นนีกจะไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะอหไหรเพราะหมดกําลัง นี่ะคนที่ไม่สะแสวงหาทรัพย์สมัยเมื่อน้อยหนุ่มเมื่อเท่าแกชรามาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าหาว่าพวกเราสะแสวงหาทรัพย์เมื่อสมัยมีกำลังอยู่นั้นท่านท่านบอกว่าทุกขษาสะนันตะหลังสุขขังเมื่อน้อยหนุ่มทุกหลับหูหลับตาหาเงินเก็บหอมรอมริบ เกิเมื่อได้เงินมาแล้วก่อนซื้อที่ดินไว้บ้างซื้ออสังหาเรมาทรัพย์สิ่งไหนไว้บ้างเพื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชราเรามีครอบครัวมีลกูกหรือมีใครพูดที่ที่มาเกี่ยวข้องเราเราก็จะได้จับใจใส่สอยเลี้ยงชีวิตของเราเมื่อบั้นปลายของชีวิตถ้าคนคิดได้อย่างนี้สมัยเป็นน้อยหนุ่มทุก หลับหูหลับตาทำการทำงานเก็บหอมรอมริบแต่เมื่อเท่าแก่ชราเราจะลืมหูลืมตามองโลกได้แบบสบายๆเพราะอะไรเพราะเรามีทุนมีเงินรองท้องอยู่แล้วน่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาการดำเนินชีวิตของพวกเราให้พวกเราท่านทั้งหลายมาฟังฟั ง, ฟงดูซิว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอยังไงสอนคดีโลกท่านสอนอยังไง สอนกคดีทำท่านสอนยังไงในเมื่อโลกทั้งโลกถึงจะมีความสุขขนาดไหนล่ำรวยขนาดไหนเท่าแก่ชลาล่อบล่ำรวยก็จริงแต่อย่าลืมเนอะอย่าลืมชีวิตเดินก้าวไปอีกก้าวหนึ่งก้าวข้ามพบข้ามชาติจุดนั้นสำคัญกว่าให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเนะตัวนั้นสาคัญมากกว่า เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาดไทยญาติโยมลูกหลานนะอวันนี้หลวงพ่อได้พูดกล่าวถึงวาเรนถ่ายเป็นวันสากรโลกโลกทั้งโลกเขาให้ความสําคัญวันแห่งความรักคือรักให้เป็นอคตารักก็รักให้เป็นรักด้วยความด้วยจิตด้วยใจรักรักรักด้วยคุณงามความดีรักด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปรักด้วยกิเลสตัณหาอย่างเดียว ถ้ารักรักโดยกิเลสตัณหาเนะี่ยพามันหมดตัณกิเลสตัณหาเมื่อไหร่ก็หมอนั้น เ, เป็นอริเป็นศัตรูเป็นคู่แค่งกันอไม่น่าจะถูกอย่างนั้นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนเราเกิดมาก็ต้องมีความรักนั่นแหละถ้าไม่มีรักก็เหมือนกับหัวหลักหัวต่อไม่มีความเยื่อใยต่อกันอก็ไม่น่าจะถูกอีกถ้ารักจนเกินไปอจนฆ่ากัน อย่างพวกเราท่านได้เห็นทุกวี่ทุกวันเนี่ยอันนั้นกลาป็ว่ารักแบบหลงแบบโง่อีกต่างหากพนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้ารักก็ต้องมีปัญญาในความรักอย่าหลงจนเกินไปถ้าว่าเราไม่ได้อย่างหวังกว่าใจเขาเนี่ยมันใจเขาไม่ใช่ใจเราเราจะให้ทุกคนได้อย่า ง, างใจเราได้ยังไง คงจะไม่ใช่คู่บุญวัฒนาบา ร, รมีสั่งสมกันมาพูดกันไ ม, ไม่รู้เรื่องแสดงว่าไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่ของเราแล้วเป็นคงจะเป็นคู่ของคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องคิดถึงอดิตตชาติของตัวเองเหมือนกันเราต้องมองสถานะของเราอีกต่างหากเราในอยู่ในสถานะไหนมันเกินไปหรือไม่ มันหลายหลายอย่างเหมือนกันนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่ถึงยังไงก็อย่าลืมความตายอย่าลืมความตายของตนเองถึงจะรักจะหลงถึงขนาดไหนก็อีกสักวันหนึ่งต่างคนต่างตายเอ่ออันไหนคือคุณงามความดีควรจะในขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยควรจะประกอบคุณงามความดีคนควรจะหาความดีควรจะหันหันความดีเข้าหากัน เอออย่าไปหันความชั่วโลภโมโหโกโธาเข้าหากันเอาความดีเข้าหากันจะอยู่ได้นานถ้าเอาแต่กิเลดตั้นหามารนณะทิฏฐิเข้าหากันอยู่ไม่ได้นานนระกนี่นะถ้าระลึกถึงความตายอีกสักวันหนึ่งข้าไปจะต้องจะต้องหนีจากกันโยละละประกอบคุณงามความดีเนอเราเนอะสร้างบา ร, รมีเนอะเพื่อเกิดพบนาชาตินาเราจะได้ไปพบไปเจอกันอีก พวเราสั่งสมบารมีไปด้วยกันแต่าว่าไม่สั่งสมบารมีไปด้วยกันไม่ได้เป็นคนละทิศทางนะถ้าสามีบอกว่า mm hmm. เออป่อไปทําบุญเถอะ อ, อ, อยากะติดบ้านติดเลือนติดลูกติดหลานกิจอะไรก็ไม่รู้ไปี่จะไปก็ไปซะไม่ไปหรอกผัวที่สูตรกับผัวไปบางทีก็นะ บางทีของเมียเขามาวัดไปทําบุญทําทานปะไปพอบ้านไปบ่ไปตีก๊อฟกับเขาอยู่วันนี้นัดน้ดนัดนี้ออออกนอกลู่นอกทางไปหากินเหล้าเมายาสัมเมลเทเมาก็มีมากต่อมากเหมือนกันอในครั้งพระพุทธเจา้าผลในสุดพูดพูดไปทําบุญไปเป็นเศรษฐีใช่นี่เพราะคนทําบุญมันก็ต้องไปไปได้ดีใช่ไหมตัวเองนอนไปเกิดจุนคนเป็นคนป่าเล อ่าเป็นลูกในพงในพรานไปเลยทีนี้เป็นคนป่าอ่าพวนาสุจะทํายังไงได้คนเคยอยู่ด้วยกันในอดีตชาติอรักกันมาพอเห็นกันนี่ก็ปิ๊งทีนี้เออทั้งหญิงทั้งชายว่า ง, งั้นเถอะเออพวนาสูก็นั้นแ่ะเออพาเมียพาสาวนี่ก็ไปติดบ่าวบ้านนอกฮะเออทั้งที่เป็นลูกเศรษฐีจะอยู่ในบ้านก็ไม่ได้กลัวพ่อตาจะฆ่าทีนี้ออกไปในเออ ไปอยู่ในชนนบทเนี่ยก็มีหลายคู่ในพระไตรปิฎกนะนี่แหละอันนี้คืออันหนึ่งแต่นี่ทางแม่บ้านก็เหมือนกันไปไม่ได้หรอกไปติดบ้านติดเรือนติดลูกอีกต่างหากจะไปหาไปปฏิบัติธรรมจะไปก็ไปทั้งที่พ่อบ้านก็มองดูแล้วมันน่าจะไปได้อยู่ถ้าเสียสละสักหน่อยแต่ไม่ยอมไปเพราะขี้เกียจไปอยู่วัดวา ไปรักษาศีลไปหิวไปโหยไม่เชื่ออีกต่างหากในส่วนใจเลึกๆนะทางพ่อบ้านก็เออไปไปรักษาศีลไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปนั่งภาวนาไปปฏิบัติพอในสุดเกิดมาก็ต่างกันอีกยก็เหมือนหลวงปู่ชอบว่านะหลวงปู่ชอบท่านไปนั่งภาวนาท่านหลวงปู่ชอบใครก็รู้ว่าท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลท่านรู้อดีตอนาคตพอสมควร ในประวัติของท่านนะพอท่านนั่งภาวนาไปไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาต่อว่าทำไม่ไปคนเดียวทำไมไม่เอานั่นไปด้วยทั้งที่อยู่ด้วยกันทางหลวงปู่ชอบในสมาธิอ้าวเวลาส่วนชักส่วนไปทำคุณงามความดีมีแต่ติดมีแต่ข้องจะทำยังไงจะช่วยยังไง เ้วก็ไปคนเดียวเลยสิก็พ้นทุกแล้วก็จบแล้วอไปอยู่ที่ไหนเลยเดียวเนี่ยเออเนี่ยแหละเดี๋ยวก็เห็นเองเนาะ อ, อไปเกิดเป็นไก่อะไเดี๋ยวนี้วเออวิญญาณดวงวิญญาณเข้ามาหานะเ อ, อไปเกิดเป็นไก่ เ, ออเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นเห็นหรอกเทนี้พรุ่งนี้เช้าก็ลงปูชอบไปไ ป, ไปบินท่าบาทใช่ไหมไปบินท่าบาทเข้าไปใน ไนหมูบ้านเขากําลังจะไปรับบินทาบาทออย่างหลวงพ่อไปเนะี่ยมีไก่แม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งทีนี่ลูกมันหลายตัวพอเห็นหลวงปู่ชอบเดินไปท่านนั่นนะ่ยมันก็มันลักษณะห่วงลูกมันก็คงจะเห็นหลวงปู่ชอบก็คงจะเกิดโมโหได้ใจเหมือนกันนะว่าพอมันติดพพติดชาติได้กิเลสนะพอเห็นท่า น, นไก่ตัว น, นั้นกะ็ะทักๆๆๆทักทะทั ก, ก, กบินถแถะมา อมาเตะขาหลวงปู่ชอบเหมือนนเอะเออเตะเอาเตะเอาเตะเอาเออหลวงปู่ชอบบอกโอ้เออมันไก่ตัวนี้เองเป็นคู่บารมีของเราเนี่ยที่มันมาเข้ามาเข้านิมิตเมื่อคืนนี่น่ะเออเอาเตะสิพอเตะไปแล้วมันก็มันก็วิ่งไปหาลูกของมันทักกักทักตักกักทักทักกักทัก มันก็คงจะบ่นในใจเอาดีแต่ตัวนี่ไม่เอาใครไปด้วยเออทำอย่างนี้ทอย่างนี้ได้ยังไงเออมาด้วยกันทำไมไปปล่อยปาละเลยอย่างนี้เออหลวงปู่ชอบจะทำยังไงได้ชักส่วนไปหาคุณงามความดีไม่ไปมีแต่จะไปหาแต่ความชั่วเออมีแต่ไปหาแต่ความเร็ว เ, เราก็ไปตามของเราสิเราก็หมดกิเลสได้ตัดกิเลสได้ จะไม่อยู่ทาไมในโลกนี้มันทุกขนะ์นี่ะนี่แหละอันนี้ก็คือในปัจจุบันในหลวงปูค่ครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อก็มาเล่าให้ลูกให้หลานฟังพวงการไปสร้างบุญสร้างกุศลนะต้องไปด้วยกันนะถ้าหากว่าเมียไปเมียรวยนะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีผู้ผัวไม่ไปกไปหาแต่ตีก๊บไปหาแต่เล่นไพ่ไปหาแต่ตีไก่ไปหาแต่เล่นไฮโล อไปหาแต่ตกแหตกเบ็ดไปหาแต่เฝ้าสะปลาเนี่ยผลนีสุดก็อย่างนั้นแหละ เ, เกิดมาเกิดเป็นคนทุกคนยากเพราะไม่ได้ทําบุญทําทานอนุโมทนากันได้อยู่อนุโมทนาห น, น่อยนึงได้ได้หน่อยนึงแต่ไม่ได้มากฮนจะให้เสมอกันเหมือนกับคนไปด้วยกันไม่ได้แหละเพราะอนุโมทนากบุญอนุโมทนาทานก็ได้อยู่นี่แหละ ใ น, ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านพูดกล่าวไว้น่าคิดหลายหลายอย่างเหมือนกันนะถ้าเราได้ศึกษาพอเกิดมาไม่ใช่เกิดมาพบเดียวชาติเดียวเกิดมาหลายพบหลายชาติโดยบุญบารมีของพวกเรามันแตกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นให้พวกเราสังสมบุญบารมีนะ่ลูกหลานนะถ้าคนมีบุญมีวาสนาบารมีแล้วเกิดพบใดชาติใดจะเป็นผู้ร่ํารวยจะเป็นผู้โชคดีปราถนาสิ่งใดก่อน สมความมุ่งมา่ปราถนาคนมีบุญนะถ้าคนไม่มีบุญก็อย่างว่านะทำอะไรก็ต ก, ตกลๆล่นๆรั่วๆไหลๆห ล, ลุดไม้หลุดมือไปเรื่อยออทั้งที่จะมีความสุข ก, กับมีความทุกข์เข้ามาทดแทนเพราะอะไรเพราะคนไม่มีบุญวาสนาบารมีนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเรื่องวาเลนไทยให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษานะให้รัก เมตตากันด้วยความอืเค้นอกเห็นใจกันด้วยความมองเห็นคุณงามความดีซึ่งกันและกันอย่าไปเห็นแต่เรื่องที่กีร ต, ติตันหาราคะโลภหัโมกณะอย่างอื่นให้พร้อมพากันประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเดินไปด้วยกันเหมือนกับ พระมหากัสถะก น, นางพัฒกาพิรานีพอมาชาติสุดท้ายก็ได้บวช ด, ด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้ากนางพิมพายาโชทลาก็เหมือนกันท่านก็ได้เป็นภิกษุณีได้สำเร็จเป็นพระอรหันด้วยกันนี่แหละมีมากมายในพระไตรปิฎกที่ท่านได้กล่าวเอาไว้นะตอนน่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะ่ารับพร